ความดีมันไม่ใช่ดีต่อผู้อื่นเท่านั้นนะมันดีต่อเราผู้กระทาด้วยทาดีในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงความมีน้าใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ใช่แค่ไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ใช่แค่รักษาศีลหให้ครบมีศีลห้าครบนี่ก็ยังเรียกว่าคนดีหรือว่าทำดีได้ไม่เต็มปากนะ นอกจากการไม่เบียดเบียนคนด้วยการรักษาศีลห้าแล้วความีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าด้วยทานคือสิ่งของหรือด้วยกำลังสติปัญญาหรือด้วยเวลาอันนี้มันก็รู้อยู่นะชัดอยู่แล้วนะว่าดีกับผู้อื่นดีกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่าไม่ยังดีกับผู้กระทํา ดต่อพูดกระทำนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเออทาแล้วได้บุญนะแล้วบุญมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆอีกหลายอย่างตามมาเช่นโชคลาภสุขภาพพลานา ม, มัยความสำเร็จอันนั้นเนี่ยมันยังเป็นเรื่องอนาคตนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแ น, น่นอนคือว่าความสุขใจที่เกิดขึ้นนะกับผู้ที่ได้ทา สุขเพราะว่าเห็นผู้อื่นมีความสุขสุขเพราะว่ารู้สึกภาคภูมิใจว่าได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามันทำให้เกิดความรู้สึกดีกับตัวเองให้ความรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะมันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมทั้งคอยเหนียวแน่ไม่ให้เราทาชั่ว คนที่รู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันทําชั่วลําบากนะพออย่างน้อยน้อยเนี่ยก็มีหิรินะแล้วก็อตปะปาหิริคือความระอายละอายในบากอตะปาคือกลัวบา ก, กลัวบาปนี้ก็กลัวผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่แค่กลัวจะตกนรกนะซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่ากับความ ละอายนะต่อบาปและหิรินะซึ่งมันจะมีแรงเหนี่ยวรัง้งจิตใจผู้คนได้ดีกว่าความกลัวบาปเหนี่ยวรั้งไม่ให้ทําชั่วเหนี่ยวรั้งไม่ให้ผิดศีลเหนี่ยวรั้งไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้กับผู้อื่นซึ่งเมันก็เกิดจากความรู้สึกดีกับตัวเองภาพภูมิใจในตัวเอง หรือที่สมัยนี้นะหรือฝรัง่งเขาเรียก self esteem อนะันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันยังช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้คนได้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่ช่วยสร้างสุขอย่างเดียวแต่ช่วยบรรเทาทุกข์อย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะขาเคยมีการศึกษานะนำผู้ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า แนะนำให้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนะวันละสครั้งติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา2อาทิตย์ปรากฏว่าความซึมเศร้าบรรเทาลงความเครียดลดน้อยลงพอๆกับคนที่ได้รับการบำบัดด้วยการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักจิตเวชนะการช่วยผู้คน ให้เขามีความสุขหรือว่าลดความทุกเนี่ยมันช่วยไม่ใช่แค่บรรเทาโรคซึมเศร้านะแต่ว่าความโศกเศร้านี่ก็ช่วยบรรเทาได้ความหมดหูวความรู้สึกลบกับตัวเองทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราเรียกว่าประโยชน์ตนนะความสุขความแช่มชื่นเบิกบานความผ่องใสเมื่อได้ทำความดีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารวมทั้งการที่ความทุกข์ใจมันบันเทาเราเรียกรวมๆกับว่าประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดน่าจะ ก, การทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่านอกจากประโยชน์ท่านแล้วเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ตนด้วยพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสาคัญทั้งสองประการนะแล้วก็เห็นว่าการทาอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยอันนี้ถือว่าดีถ้าได้แต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวอันนี้ยัง看看ไม่ดีเท่าหรือถ้าได้แต่ประโยชน์ตนแต่ประโยชน์ท่านไม่เกิดอันนี้ก็ยังไม่ดีเท่ากับการที่เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่่อประโยชน์ตนเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่ผนเปลือกกิเลสนะมันไม่ได้หมายถึงลายศสารเสริญ อย่างที่คนบางคนหรือคนจำนวนมากเข้าใจเนี่ยเวลาพูดถึงประโยชน์ตนหรือการหาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะคนก็นึกไปถึงนะการได้ลาบได้ยศได้ทรัพย์สินิงคารซึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ตนที่มุ่งหมายเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่ามันไม่จําเป็นมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าประโยชน์ตนที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะท่านเล็งมายถึงเรื่องของคุณภาพจิตใจที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งความสุขแล้วก็ความสุขที่เพิ่มขึ้นความทุกข์ที่ลดลง เ, เพราะฉนั้นต้องแยกย้า้ออกนะว่าเวลาพูทตาศาสนาพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมความเห็นแก่ตัว วความมีแต่ตัวเนี่ยมันนําไปสู่การบั่นทอนประโยชน์ตนเห็นแต่ตัวแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นผิดศีลอันเนี้ยมันก็มีแต่จะเชื้อเชิญความทุกมาใส่ตัวหรือสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเองอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ตนแล้วลแต่บั่นทอนประโยชน์ตนในความมีแต่ตัวเนี่ยนะมันสวนทางกับการทําประโยชน์ตนนะใน มุมมองของพุทธศาสนาซึ่งที่จริงก็เห็นได้ไม่ยากและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องไข้ครควญหรือแยกแยะให้เป็นเพราะว่าการทำดีบางอย่างอย่างน้อยดีในสายตาคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ท่านล้วนๆแต่ว่ามุ่ง สนองประโยชน์ส่วนตัวหรือสนองกิเลส ก, ก็ว่าได้นะไม่ใช่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ตนนะในความหมายที่เราพูดถึงยงมีโยมคนหนึ่งนนะก็เป็นพยาบาล แล้วก็ทำงานขยันขันแข็งมากเป็นคนเก่งทั้งในเรื่องของการดูแลรักษาคนไข้เรื่องของการบริหารนแผนกนะทำวิจัยก็ทำได้ดีจนคนเนี่ยชมนะคนสารเสริญแล้วตัวเนี่ยกนะ็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมนะทำเพื่อคนไข้ ทำเพื่อองค์กรคือโรงพยาบาลแต่ภายหลังเนี่ยมาสังเกตนะตัวเองก็พบว่าไอ้ที่ทำดีทำเยอะทำมากแล้วก็ทำจนกระทั่ง ค, คนชมว่าเก่งเนี่ยนะมันเป็นการทำเนี่ยลึ ก, ลกๆเนี่ยก็เพื่อให้คนเนี่ยชื่นชมสรรเสริญว่าว่าเธอเก่งนะเธอเป็นคนมีความสามารถ เวลาจะทำะไรเนี่ยต้องการทำให้มันดีไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะจริงๆเนี่ยแต่เพื่อให้คนชมว่าเนี่ยว่าฉันเก่งฉันมีความสา ม, มารถอันที่แรกก็มองไม่เห็นนะพอมีคนแม้กระทัง่งพอมีคนมาทักว่าเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือเพื่อ สนองความต้องการส่วนตัวเนี่ยโกรธนะหาว่าเขาดูถูกทั้งที่เขาก็เพียงแต่ตั้งคำถามให้ฉุกคิดให้มาพิจารณาแต่ตอนหลังเนี่ยพอทำไปทาไปมันก็เริ่มจะเห็นนะว่าเรานี่ไม่ทําทำเพื่อส่วนรวมจริงๆหรือรวน ร, น, รนเท่าไหร่แต่เราทำเพราะเราอยากจะได้คำชื่นชมสารเสริญ ถึงแม้ว่าไม่ได้ปรารถนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าถ้าไม่มีคนชมไม่มีคนสรรเสริญแถมมีคนตำหนินี่โกรธมากเลยก็เริ่มเห็นแล้วนะอ้ยเหล่านี้นะมันไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆก็นับว่าเขาเป็นคนที่กล้าที่จะมองตนนะแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะ สิ่งที่เขาทำเนี่ยแม้ว่าจะทําเพื่อส่วนรวมแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทําเพื่อส่วนรวมแท้ๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทําเพื่อประโยชน์ตนอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าชื่อเสียงเกตุกับคสารสารสารเสริญเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสนองกิเลสอะไรที่มันสนองกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนอย่างแท้จริงมันเป็นการบันทอนประโยชน์ตนมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยมักจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามทั้งที่เนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทนะทำงานขยันขันแข็งแต่ว่าไอ้แรงจูงใจเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนหรือว่า ลึกล้ำนะกว่าที่ตัวเองจะเข้าใจก็ได้จนกว่าจะมองอย่างท่องแท้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักมองพิจารณาเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าเอ้ยให้เรานี่ทําทําเพื่ออะไรกันแน่ไม่มีหมอผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นคนที่เรียนเก่งมากตอนเป็นนักเรียนแพทย์ต่อมาเนี่ยที่จริงก่อนที่จเป็นนักเรียนแพทย์นะ ตอนที่เป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยก็เสียพ่อไปก่อนนน้นนั้นก็เสียแม่แม่เป็นมะเร็งส่วนพ่อนี่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเป็นมะเร็งมิดเลือดเนี่ยเดืคีบเมียเเสียใจมากนะ้วก็เลยตั้งเป้านะว่าเนี่ยจะเรียนแพทย์แล้วพอเรียนแพทย์เนี่ยก็มุ่งเลยนะจะมาเรียนแพทย์เฉพาะทางแพทย ด้านรักษาโรคเลือดก็คือลิวคิมเมียเพราะว่าต้องการเอาชนะโรคนี้เพราะมันเป็นโรคที่คร่าชีวิตของพ่อเธอและเมื่อได้เป็นแพทย์นะเวลาเจอคนไข้ที่เป็นโรคเลือดหรือลิวคิมเมียเนี่ยเธอจะทุ่มเทมากแต่ว่าโรคเลือดบางครั้งเนี่ยมันก็ รุนแรงหรือว่าลุกลามนะเกินกว่าที่จะหารักษา ห, หายได้แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะแพามที่จะสู้กับมันทั้งที่คนไข้เนี่ยเข้าสูรา่ระยะทายแล้วแล้วคนไข้าบางคนก็เป็นเด็กด้วยเมื่อเข้าสูรา่ริยะทายเนี่ยมันก็หมายความว่ายิ่งรักษาเนี่ย มันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเขาคนข้าสุริยะท้ายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนฮันมันเน้นเรื่องการดูแลแบบประคับพระคลองคือช่วยให้ลดความทุกข์ทรมานหรือพูดง่ายๆคือช่วยให้ตายสงบหรือตายสบายไม่ทุกข์ทรมาน์ดแต่หมอคนนี้จะไม่ยอมเลยนะจะพยายามสู้สุดิทธ แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้นะทําท่าไม่ไหวก็ยื้พยายามยื้อเท่าที่จะทําได้บางทีคนไข้ก็บอกไม่ไหวแล้วนะไม่สู้แล้วเพราะมันทรมานอยากกลับอยากกลับไปตายที่บ้านบ้างหรือว่าไม่อยากจะนะเจอการรักษาแบบแทรกแซงซึ่งมันทําให้อยู่ได้ยืนยาวก็จริงแต่เป็นแค่การอยู่แบบมีลมหายใจแต่ว่าไม่ได้มี ภาพชิวเท่าไรแต่หมอแคไม่ยอมเนีต้องสู้ให้ได้ถ้าบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยถูกเจาะเลือดเนี่ยวันละสามครั้งเนี่ยไอเจาะเลือดทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วนี่นี่ทุกวันแล้ววันละสามครั้งเพื่อที่จะดูให้ได้ว่าผลเลือดมันดีขึ้นแต่ผลเลือดมันก็แย่ลงสุดท้ายนะพอคนไข้เนี่ยทำท่าจะไปไม่รอดนะหมอคนนี้ทิ้งเลยให้รุ่นพี่เอาพี่มาช่วยดูแทน เพราะอะไรพาะแกะทนไม่ได้นะที่เห็นคนไข้าตายแต่จริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่พาะทนไม่ได้ที่เห็นคนไข้าตา ย, ยแต่มันทนไม่ได้ที่ตัวเองแพ้เพราะว่าการรักษาคนไข้เนี่ยแกถือว่าคนไข้แท้จริงเนี่ยมันคือสนามประลองกำลังระหว่างเธอกับโรคหรือเมียแล้วพอรักษาคนไข้ไม่ได้นะจังหวัดยึดหัวเสียมากนอกจากทิ้งคนไข้แล้วเนี่ยก็ยัง เวลาไปสอนเนี่ยก็จะระบายอารมณ์ใส่นักศึกษาแพทย์จนนักศึกษาแพทย์นี่เขากลัวเลยนะไม่กล้าเข้าใกลเนีเวลาหมอคนนี้เนี่ยไปเจอเคสผู้ป่วยที่อาการหนักรอดแล้แล้วรักษาไม่ได้เวลาไปราวเนี่ยไปลาวราวเนี่ยคือไปไปดูอาการคนไข้เนี่ยโดยมีนักศึกษาแพทย์ตามไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ขตัวที่อาการแย่ๆเนี่ยแกจะหงุดหงิดหัวเสียมากใส่ใส่ใส นักศึกษาแพทย์จนไปที่เรื่องเลือกันเลยนะว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้นี่นักศึกษาแพทย์ไม่อยากเข้าใกล้ถามว่าที่ที่เป็นเช น, นี้เพราะอะไรนะเพราะว่า ล, ลึกเนี่ยนหมอคนเนี้ยแกต้องการที่จะเอาชนะโรคหรืบคีเมียเพราะมันเป็นโรคที่ฆ่าฆ่าชีวิตของพ่อเธอถ้าพูดแบบภาษาชาว บ, บ้านก็มันเป็นความแค้นส่วนตัวที่ต้องเอาชนะให้ได้เพราะแล้วเนี่ยคนไข้าบางทีเขาไม่ไหวแล้วแต่ หมอไม่ยอมแพ้เพราะคิดว่าถ้าคนไข้าตายก็คือความพ่ายแพ้ของหมอมันเป็นเรื่องของความรูสึกเสียศักดิ์ศรีมันไม่เป็นเรื่องของความรู้สึกพ่ายแพ้ที่กระทบอัตตาอย่างแรงอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยคืหมอเนี่ยจะทำทุ่มเทมากจะไม่ทำเพื่อคนไข้นะทำเพื่อตัวเองเพื่อสู้กับโรคร้ายที่มัน สร้างความแค้นส่วนตัวให้กับเธอให้การทำอย่างนี้เนี่ยมันก็สุดท้ายก็ไปตกหนังที่คนไข้เพราะว่าหมอต้องการยื้อสุดชีวิตสู้ทุกทางเพื่อไม่ให้ตัวเองเนียได้ชื่อว่าพ่ายแพ้ทั้งที่มันก็ธรรมดานะโรคบางโรคเนี่ยหรือบางบางเคสเนี่ยมันก็รุนแรงจงกนกระทั่ง ความตายเป็นสิ่งที่นี่ไม่พ้นในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยให้เขาตายสงบก็อาจจะถือว่าเป็นความสําเร็จของหมอก็ได้นะไม่ใช่ว่าความตายคนไข้จะหมายถึงความล้มเหลวของหมอเสมอไปแต่หมอเนี่ยมองเห็นว่าในความตายคนไข้คือความล้มเหลวของตัวก็เลยไม่ยอมให้คนไข้าตายและถ้าคนไข้ต้องตายเนี่ยก็ไม่ยอมให้คนไข้าตายกับมือนะให้หมอคนอื่นมามาดูแลแทนและให้คนไข้าตายในมือของเขา ในเมื อ, ของของหมอคนนั้นไม่ใช่ในเมื อ, องตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นการทําเพื่อจะเรียกว่าสนองอัตตาก็ได้นะซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อคนไข้ไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อตัวเองด้วยมันมีการกระทําหลายอย่างนะที่บางทีผู้คนเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือเฉเลียวใจว่า มันม่เป็นการทําเพื่อผู้อื่นนะแต่เป็นการทำเพื่อตัวเองอย่างพ่อแม่บางคนนะที่จริงเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะทีเดียวป่วยหนักอยู่ในระยะท้ายเนี่ยลูกเนี่ยนะั้นต้องการยื้อชีวิตของพ่อแม่เนี่ยสุดชีวิตเลยทั้งที่พ่อแม่บอกว่าไม่เอาแล้วหรือบางทีก็เขียนแสดงเ จ, จตจานงลงหน้าว่าฉันไม่ต้องการยื้อชีวิตแต่ลูกไม่ยอมไม่ฟัง บางทีพ่อแม่ก็สงสัยตาเพราพูดไม่ได้เนื่องจากมีท่ออยู่ในคอบอกว่าปล่อยฉันไปเธอปล่อยฉันไปเธอแต่ลูกก็ไม่ยอมจะต้องสู้ให้ได้ในหลายกรณีเนี่ยนะลูกไม่ได้ทำเพื่อพ่อแม่เท่าไหร่นะแต่ทําเพื่อตัวเองมากกว่าเพราะว่ารู้สึกผิดที่ไม่ค่อยได้ดูแลพ่อแม่เลยทําแต่งงานหาเวลามาเยี่ยมพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีแม้กระทั่งเวลาพ่อแม่ป่วยก็ไม่มีเวลามาให้ จนกระทั่งพ่อแม่ป่วยหนักก็ไม่ยอมให้ตายนะเพราะว่าอยากจะชดเชยความผิดที่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับท่านก็อยากจะมีเวลาอยู่กับท่านนานๆชดเชยความผิดหรือว่าอยากจะแสดงความกระตันยูอย่างสุดโตงซึ่งความกตันยูแบบนี้ในวงการแพทย์เรียกว่ากตันยูเฉียบพลันหมายความว่าเวลาอื่นนี่ไม่กระตันยูนะต่มาจะมากระตันยูตอนตอนที่พ่อแม่จะตาย รูปแบบนี้นะมีเงินเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มเทนะแต่ว่าที่จริงก็อย่างที่บอ้นะต้องถามใจตัวเอว่าทำเพื่ออะไรเพื่อพ่อแม่หรือเพื่อตัวเองเพื่อลบความรู้สึกผิดของตัวเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงความปรารถนาของพ่อแม่เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่ไม่สังเกตและไม่มองใจก็ไม่เห็นนะในเช่นเดียวกันบางทีพ่อแม่เวลาเลี้ยงลูกเนี่ย แม้ว่าจะมีความรักมีความเมตตาแต่บางทีก็เลี้ยงลูกเพื่อสนองอัตตาของตัวเองลูกคนไหนเรียนเก่งพ่อแม่ก็พาไปอวดนะตามในหมู่ญาติพี่น้องว่า้คนนี้สอบได้ที่หนึ่งแต่ถ้าลูกคนไหนเรียนไม่เก่งก็นะไม่เอาไปเอาไปอวดยัดญาติรู้สึกอับอายอันนี้เพราะอะไรนะก็เพื่อ เพื่อหน้าตาของตัวเองแต่นั่นยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ที่มันหนักคือว่าการพยายามที่ไปบังคับวงการชีวิตของลูกเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองเช่นบางคนอยากจะเรียนหมอแต่เรียนไม่ได้เรียนไม่จบหรือว่าไม่มีความสามารถได้แต่เป็นครูแต่พอลูกพอมีลูกเนี่ยเพยายามเคี่ยวเข็นลูกเพื่อให้เรียนหมอให้ได้ทั้งที่ลูกก็ไม่อยากเรียน ลูกอยากจะเรียนนิติศาสตร์อยากจะเรียนนิเทศศาสตร์หรืออยากจะเป็นครูได้ซ้าแต่พ่อก็ไม่ยอมนะพ่อเคีเ่ยวเข็นกดดันให้ลูกเนะี่ยเรียนหมอเพื่ออะไรนะเพื่อสนองความฝ่ฝันของตัวเองตัวเองทำไม่ได้ก็หวังว่าลูกจะทำได้อันนี้เรียกว่าทาเพื่อตัวเองนะไม่ใช่ว่ามีความรักความปรารถนาที่ต่อลูกในส่วนนี้มันก็มีอ่ะแต่ว่าในบางคณะมัน ถูกแรงผลักดันทางด้านอัตตาต้องการให้ลูกสนองอัตตาของตัวเองสุดท้ายลูกก็ทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์เนะเพราะว่าลูกก็ไม่มีความสุขก็ทะเลาะเบาแวงกับพ่อแม่ความสัมพันธ์ก็เล้าฉานเถินห่างหมังเหมือนเรื่องวันนี้เนี่ยมันต้องสังเกตนะแม้ว่าดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาดีนะเขาเสียสละเขาทุ่มเทเขารัก พ่อแม่หรือว่าเ้ารักลูกนแต่บางทีเนี่ยมันมันเป็นภาพรวมตาอาจจะไม่ใช่รวมตาทั้งหมดนะไอ้ความปรารถนาดีมันก็มีแต่ว่าไอ้แรงจูงใจเบื้องหลังที่มันชัดๆหรือว่าที่มันที่มันมีที่ผลมากคือเนี่ยเรื่องของอัตตาสมองอัตตาของตัวเองในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะรักษาคนไข้ในฐานะที่มันเป็น เห็นคนใข้เป็นสมรัถภูมิเพื่อที่จะชำระความแค้นส่วนตัวที่มีกับโรคบางชนิดที่ทำให้พ่อแม่ตายแบบนี้ก็มีหรือว่ากดดันลูกเพื่อให้ลูกตอบสนองความใฝ่ฝันหรือเพื่อหน้าตาของตัวเองแบบนี้ก็มีหรือยืดชีวิตพ่อแม่เพื่อเชยความรู้สึกผิดของตัวเองก็มีแล้วคงจะมีอีกหลายแบบนะ่ึงถ้าว่าเราไม่รู้จักเฝ้ามองเนี่ย ไปลงเชื่ออำนาจกินเลศว่าเออเรากำลังทำดีเรากำลังเสสละัอันนี้เราจะสร้างทุกให้กับพื้นแล้วก็สร้างทุกใหแ้แก่ตัวเองตัวไม่รู้ตัว